<Book> สามเทร่การทำความรู้จักบลีเค็นตสวัสดีค่ะไห <Hi. S 2> สวัสดีค่ะกูดาก สบายดีไหมคะ Vous คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะวิลเกทโฮเทลบูดิพอคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะว u ร์เลง e ก่ฮาร์ดิ์เวอ r คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะวูร์เลง e ก่ศัลลุว์เวอคุณชอบที่นี่ไหมคะลิเคิร์ดูเดย์ คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะอาดูพ่อเฟรียฮะมาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะดูมอ์บอสเซคิเมย์หนึ่งนี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะฮะอาเรดเดสเซนเมนเราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะเซียสบีมอร์น ขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่าง k l a ลา r กอ g har allerede p ่ a n e r ลาก่อนค่ะ det bra ลาก่อนค่ะถวา j e n s นสแล้วพบกันนะคะ det så l ี n g ะ